ถ้าผู้งผู้ชายต้องเดียมองดูหน้าคนก่อนไม่งั้นไม่ได้ค้อมือผู้หญงกับมีอผู้ชายมือเลื่อมมาแล้วจมือผผู้ชายคนหน้ากรู้กันได้มันเคยผิดมาแล้วข้าวอหนีหนาหกันถึงไอเด็เด็กสารทุใหญ่ มาถึงเชื่อแล้วออกปฏิบัติแล้วมันมาจากข้ามาถึงเชือนะถัาขีจักรหลาดมันเป็นลัทป่าที่ทำโดยจักรหลาดรงด้วยเจ้าของลงด้วยนั่นก็เป็นโยมผู้ถามลัทธิป่ามีลูกวันไหนพ่อแม่ไม่มาแต่บาติจให้ลูกมาเราทราบที่หลังนั่นไง ตอนที่เราไปเป็นเสบา่าทำแน่เราไม่ทราบเพราะเราเรามาจับมืเพ่อแล้วก็จันทร์ช่างมาเงินค่าันนั้นจันทร์ช่ามาก็จะดีกว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้ชา ย, ยใส่จงเจนเด็กตะก่อนนะก็าจริง น, นะะก่อนผู้หญิผู้หญิงไม่แส่จงเจนตะก้อนขึ้นมาสมายัยคสิปๆหนึ่งแต่งจงเจนเหมือนผู้ชายทั้งหมดแล้วรูปร่างเหมือนผู้ชายด้วย มันม่น่าสงไขเลยเราซึงไม่สงไขเลยเราไม่ซื้อเขาก็ใส่บาตรแล้วเขาก็ลืนคือหม้อคือหม้อแปลงเราถ้าเคยมีบาตมานั่นที่ทเคยมีบาตประจำทุกวันนั้นก็ท่านออมพระากว่าเราท่านอยู่ข้างหลังเราที่เราแต่งพระศากลท่านแต่ข้างหน้าถ้าเด่นยื่นนั่นมาเราก็เอามือรับเพราะมองรูาเป็นผู้ชายหีือะไรแต่งตัวเ็ผู้ชายเพอเราเราจับนั่น หม้อจับเขาเรียกสายอะไรวกูนะนะหูหม้อน่นนะพอจับปั๊บเห น, นดูหน้าเราเลย ท, ทันทีนั่นแหละเด็กสอนเด็กสผู้ใหญ่พอเราจับพอเราจับปั๊บจับหม้ อ, น, อนะจับหม้อจับจับเลยนะแล้วเดี๋ยวก็มองดูหน้าเรา ท, าทันทีแต่ก่อนไม่มองดูใส่บาตรัตเข้าอะไรเราใส่บาตก็ไม่มองดู ทั้งยืนม้อของมันความหมายก็คือว่าท่าทั้งหลายที่เคยมานั้นรู้จักเด็กที่มาเป็นเป็่อนแต่ไรกนั่นท่านจะเอาฝาบาทรับนะเด็กจะวาบนฝาบาทตามปกติเป็นอย่างนั้นเวลาเราดึงใเรานี่เราไม่รู้เลยแต่เจ้าก็เป็นผู้ชายแล้วดูคนก็เป็นผู้ชายด้วยเด็กลูกเล็กหนาผู้ชายหมดไปด้วยนะพอเราก็ยอาเดือนมีลาพรับบ้างเหมือนหน้าโดูรับเราสรุปใจก็คือเด็หญิ่เป็นผู้หญิงไม่ไงนั่ แต่ก็ไม่แสดงทีละให้เด็บรู้นะหักปีภายในนั่นคือหน้าคือสีแน่ๆมองหน้าเราทันทีแสดงว่าเท่านี้ทำไมถึงเป็นให้ความหมายได้ว่าหน้ันนะไม่เหมือน้าที่บางต่วนทุกวันผมว่ามอนนะเคยผขาีามองหน้าป้านี่เราก็สะดุดกันทีพอผ่านกนั้นพอผ่านจากล้งเลยบาดเดร้อยแล้วผ่านออกไปแล้วถามเด็นที่ใส่บาทตรงนี้เป็นผิววิชาหน่อยที่นุ่งกางเกงใส่บาดลูกคุณเข้าใจต้งเลื่อนในหนะ โอมาฮ้อพอาะันีนิมมงมุน่าผมผมรับหม้อแกนจากเด็กนั่นน่ะเดี๋ยวดมันเราก็จับมออแกนแล้วนวดมุ้ยชายเพราะฉั้นทีอนิมมังมุน่าเราหนักเลยนั่นไแต่นั้นมาก็เลยถ้าถ้าผู้หญิงมู้ชายมาประเพนของเนี่ยก็จะต้องรู้หน้าไม่รู้นไม่รึไม่รหรือล่าเนี่ยมันเคยผิดมาแล้วเนี่ยตะรู้มฉพาะเดียวเท่านั้น ที่ผิดจังๆนะผิดจังๆคือไงเผ็ดเราที่เราโดยเราไม่สงสัยเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมาไม่หมอนแน่ใจทีเดียวว่าเป็นผู้ชายแล้วแต่งตัวก็เป็นผู้ชายไปด้วยนี่ใครจะไปสงสัยหน้าตาเป็นผู้ชายหมดเดือดตัวเท่านี้แล้วนะคืออายุประมาณสักหน้าสิบปีประมาณนี้เดี๋นั่งตรงนี้ืม นัน่งจิตจารณามค่ะเหล่านี้ทางไหนทางไหนด้าน น, า น, านักศึกษานี่คือหน้าค่ะอันนี้ก็มีนะขั้นขั้นก็มีกำหนดว่าจะมาวันนี้งั้นหรือยังไงกำหนดก็จะมาวั น, นนี้ค่ะเรานี่มลืมไปแล้วล่ะท่นานหมายมาจากไหนก็พอเราอ่านแล้วก็วก็บอกให้ผ้าให้ผ้าให้พระแล้วท่านเอามาเก็บไว้แล้วหนึ่งก็คอยเตือนเรา ใครจะมาวันไหนเวลาเท่าไหร่พอจวนถึงวันแล้วก็มาจวนเราไม่มีอาจารย์นำหน้ามาบ้างเหรือวันนี้มีหร้อีปล่าไม่มาไม่งั้นเราจะให้เดินงขึ้นมาสอนคนนี่อาจารย์ต้องหนีไปทันทีเรือไงคณะอาจารย์ มาจากองเทพไแทบไม่เคยมีสักคนเดียวปล่อยให้ให้แต่ลูกๆมานี่เราก็ต้องปล่อยให้ลูกถิ่เพราะเราเอาเน้นน้อยตัวจุดตรงสุดท้ายนํามาสอนคนนี้เราก็ไปเฉลยน้องตะบวน่ะอย่างนั้นเหมาะสมดีใช่ไหมละ่ะเหมาะกันนะอย่างนั้นนะอย่าว่าไม่เหมาะนะถูกต้องเห็นเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเห็นเป็นศาสนาเป็นเรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพราะนัเราก็เห็นเรื่องของเด็กตรงนี้เป็นเรื่องของเด็กเราไม่เห็นเป็นเรื่องของครูของอาจารย์ที่จะสอนคนเลยน่ะ มันก็แก้กันตรงนี้แหละว่างแต่ว่าจะติดกุ้งล่าติดอาชันนักหนะเลนเลยเถิดด้วยเหตุเลยผลมันก็ไม่ถูก <c oughs> สนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่โตมากคร <c oughs> อบอยู่บนหัวคนทุกคนถ้าจะเป็นคนโดยสมบูรณ์แล้วต้องมีศาสนาถ้าไม่มีอะไรเลย <c oughs> นั่นก็มันก็เท่ากับสัตว์หางไม่มีก็เรียกว่าสัตว์ได้ สัตว์บางประเภทไม่มีหางนี่ใช่ไหมล่ะอืมบางประเภทมันก็มีบางประเภทมีหางเพระาะงั้นกา ร, รพูดปฏิบัติหน้าที่การอมันมันเป็นมักเหลวเพราะคนห่างธรรมะเห็นว่าธรรมะไม่สาคัญทีนี้เมื่อในขณะเดียวกันที่เห็นว่าธรรมะไม่สําคัญอะไรล่ะสําคัญสิ่งที่ไม่ใช่ทำนั่นแหละสําคัญ คุณไม่สําคัญและอะไรที่สําคัญก็คือโทษคือภัยนั่นแหละสําคัญมันก็สนใจไปทางนั้นทางนั้นทางนั้นเสียฮการประกอบหน้าที่การงานเพื่อส่วนดวงก็ดีเพื่อตัวเองก็ดกีก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระสาระสาระท้อเหตุผลไม่มีคำว่าเหตุผลไม่มีก็คือทําไม่มีนั่นเองถ้าทํามีและเหตุผลจะต้องมีแม้แต่ทางานส่วนตัวก็มีเหตุผ ล, ลที่เกี่ยวที่านที่เกี่ยวที่ขั้นอะไรนี่ถามไม่ของสอืมแล้วปากท้องที่เกียวที่ข้านไหม ถึงเวลากินมันกินถึงเวลานอนมันนอนมันขี้เกียจที่ข้านไม่สิ่งนี้ถึงเวลาเจ็บข้าวได้ป่วยจําเป็นที่จะต้องใช้อยู่ใช้ยามันต้องเจ็บข้ายได้ป่วยแล้วมันต้องใช้อยู่ใช้ยาจนได้เมื่อเป็นเช่นั้นเราจะขี้เกียจที่ข้านได้ไงเราต้องสอบต้องแสดงหาไว้สําหรับความจำเป็นเหล่านี้นี่แหละเหตุผลเมื่อคนเราขี้เกียจที้ข้านถ้ามีหลักธรรมแล้วก็เกียจข้านมาได้ต้องถูต้องไถพยา ย, ยาง เจาะแสงหามาจนได้เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวดังนั้นกิจการงานของส่วนรวมก็เหมือนกันอีกส่วนรวมคืออะไรคือส่วนรวมคือเป็นคือหลักใหญ่ของชาติบ้านเมืองนี่ไม่ใช่อะไรถ้าว่าจุดถ้าว่าหัวใจก็คือหัวใจของชาตินั่นจะส่วนรวมเราเป็นอวัยวะส่วนต่างๆของส่วนรวมส่วนใหญ่เราต้องปฏิบัติหน้ า, ท, าที่ให้สมบูรณ์ต่อส่วนรวม ทำหน้าที่การงานอะไรก็ไม่โคดไม่โกงไม่รีบไม่ไถ่ไม่ชอบไม่โกงไม่ช่อบลาดบางหลวงเพราะเหล่านี่มันเป็นการทรยศต่อชาติของตัวเองต่อชีวิตจิ ต, ตใจของตัวเองต่อหัวใจของตัวเองเราอยากเข้าใจว่าเราทําเป็นความดีความดีเป็นความเท่าเทียวฉล า, าดในตัวเราเลยความจริงเราทรยศทั้งคนเลยทรยศต่อชาติชาติอยู่ได้ด้วยอวัยวะส่วนต่างๆเหมือนอย่างร่างกายของเหล่านี้อยู่ได้ด้วยอะไร อยู่ได้ด้วยอวัยวะส่วนต่างๆมันสมบูรณ์บริบูรณ์มันดีทุกส่วนถ้าลองเจ็บตรงไหนตรงไหนตรงหนึ่งนึกสิมันเป็นยังไงมันสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์เจ็บท้องไม่สบายเจ็บหัวไม่สบายเจ็บแข้งปวดขาไม่สบายเจ็บอวัยวะไม่สบายทั่วทั้งตัวเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยหาความสบายได้ที่ไหนหม น, หนุษย์เรานั่นจากนั้นมันก็ตายได้วันนี้คือมันกันชาติบ้านเมืองจะอยู่ได้ด้วยคนของชาติมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองเพราะความมีศีลธรรม ถ้าขาดศีลทำแล้วอะไรก็เหลวแหลกไปหมดแม้แต่ในบ้านมันจะของหาความชุบเย็นไม่ได้ระหว่างสามีภรรยา ท, ทะเลาะกันวันยังคำเจอหน้ากันเป็นเหมือนยักษ์เหมือนผีกัดกันตลอดยิ่งกว่าหมาเพราะอะไรเพราะหายเหตุหาผลไม่ได้มันจึงเป็นหมากัดกันได้นี่เราจะเห็นความสําคัญของหลักธรรมเป็นอย่างนี้ถ้าลงมีอดมีทำแล้วทะเลาะกันไปหาอะไระถามตัวเองต่างคนต่างถามหัวใจจะของก่รู้มันเป็นของดีหรือการทะเลาะกันแม้แต่มอด หม้อมันร้าวมันยังใช้งานไม่สมบูรณ์ยิ่งกระทั่งมันแตกไปด้วยแล้วเป็นยังไงหม้อลุงนั้นใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นี่การทะเลาะก็เพื่อจะแตกมัง้งเถิดถ้าไม่หยุดไม่ระ ง, งับต้องแตกเนี่มันดีเมื่อะไหร่ร่างกายของเราอยู่ดีๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันสบายเก็บนั่นป่ว น, น, นี่ไปที่ดีเถิดนั่นคือมันร้าวแล้วนั่นร่างกายมันเริ่มร้าวแล้วจากนั้นมันก็จะแตกคนทะเลาะกันก็เพื่อเริ่มร้าวมันจะแตกชาติบ้านเมืองกับมัน ก, บนกันคนนั้นก็ กินตรงนั้นของนี่กินตรงนี้เขานั้นกินตรงนั้นอยู่ที่ไหนกินตรงนั้นเตาอี้ไหนโต๊ะไหนกินแต่ไม่แต่กิกกกกกกนชาติกินบ้านกินเมืองกินตลอดเวลาอ่าแล้วชาติบ้านเมืองอยู่ได้ยังไงนี่คืออะไรนี่คือความไม่มีธรรมมันจึงเป็นได้อย่างนั้นถ้ามีธรรมเรากินไม่หลง ก, กินได้ยังไงเพราะชาติขชาติของเราเองมันเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดเราอยู่ได้เพราะชาติาชาติล้มจมแล้วเราเอาอะไรมาอยู่ได้ล่ะและชาติจะนี่แน่นหนามั่นคงก็คือความแน่นหนามั่นคงของอวัยวะของชาติได้แก่เราเราเราท่านท่านทุกคนต่าง คนต่างทําหน้าที่การงานให้เหมาะสม as, ให้สุจริตจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและหน้าที่การงานก็ซื่อ ส, สัตย์สุจริตนี่แหละเป็นเครื่องรักษาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้ถ้าขาดอันนี้ก็คือขาดทำเมื่อขาดทำแล้วก็ชาติบ้านเมืองตั้งไม่ได้เมื่อชาติาเมืองตั้งไม่ได้เราตั้งได้ย่งไรอบ้านเมืองเป็นฟืนเป็นไฟ ห, หมดเราจะเป็นน้ําแข็งในถ้ำกลางแห่งฟืนไะฟเป็นไปได้หรือเปเป็นไปไม่ได้นี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละความมีธรรมมันความมีความสําคัญอย่างนี้ อะไรวางไว้ตรงไหนก็วางไว้ถ้าความมีธรรมต่างคนต่างมีธรรมแล้วแม่แต่สิ่งอะไรตกเลียดที่หาไปตามถนนทางนี้ไม่มีใครแตะของใครเลยเพราะไม่ใช่ของเราเอาไปทําไมมันตกเลียดที่ตรงไหนตามไปหาก็ได้หรืมีมีหลักฐานมีคนเก็บมาให้ด้วยประกาศโฆษณาให้รู้ว่าของนั้นตกแล้วบอกโกงไปเลยก็ได้มีรูปพั้นฐานยังไงจํานวนชั่งมูลงเงิ น, น, นงเท่าไหร่บอกได้เลยเลยพราะต่างคนต่างสุจริตแล้วไม่ต้องเก็บความลับไม่ต้องลี้ลับไม่ต้องมีอะไรเป็นเท็จเป็นลับเอาไว้เลย พองเงินของใครตกหายคํานวณเท่านั้นนั่นเลยแล้วคนอื่นก็ได้ยินเขาก็ไม่ใช่ของเขาเขาก็ไม่ไปเกี่ยวข้องนี่คือความมีธรรมเป็นอย่างนั้นก็เจ้าของท่านเองจะตามไปเก็บของที่ตกที่มีคนที่เก็บเก็บไม่ให้ก็ไปเอาเองเท่านั้นเองนี่คือความสุจริตมันเป็นความสุขไห ม, มลองดูสิบ้านเรือนไม่ต้องมีรู้วเขาได้ถ้าต่างคนต่างมีธรรมมีความสุจริตต่อกันแล้วขโมยที่ไหนจะมามาจากคนพก็คนไม่เป็นขโมยคนเป็นนักธรรมะคนเป็นรู้จัก ผิดถูกชั่วดีเสียอย่างเดียวเท่านั้นความรับเย็นเป็นสุขไม่ต้อมีเองไม่ต้องมาหาอความเดดร้อนไม่ต้องมีพเพราะอะไรเพราะเราไม่ก่อความเดือดร้อนนี่เป็นอย่างนั้นนะนี่เพราะไหไลายบ้านเมืองเราแม้แต่เจ้าหน้าที่เสเองคอยให้ปาปามความชั่วช้าละมกของคนตัวเองยังเป็นโจรเป็นมารเสเองเห็นไหมแล้วมันจะไว้ใจกันได้ ย, ยังไงนั่งอยู่บนรถไฟเจ้าของนอนนั่งไปหัวงเงาห้องนอนเจ้าหน้าที่เสียเองเข้ามา ล่ว ง, งสายส้อยบนคอจะว่าไงมันไม่ใจกันได้ยังไงถ้าพอเขาจับได้ทออําไมจึงเอามัออกมาไม้ย่างงี้ปวดเอาโรคเขาทำไมเนี่ยทําท่าขู่เขาถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ตื่นแล้วก็เอาไปเลยนี่เขาตื่นเขารู้สึกก่อนวราะความมับสายส้อยนั้นก็ติดอยู่กับมือเจ้าหน้าที่ด้วยติดมือของเขาด้วยนี่แล้วทําท่าขู่เขาอย่างนั้นยังมีนี่นะเจ้าหน้าที่เปรกผีอะไรจึงเป็นอย่างนั้นไว้ใจกันได้ยังไงเห็นชัดๆรู้ชัดๆผู้เป็นเป็น ผู้พูดพูดพูดผู้ฟังฟั่งผู้ได้ยินได้ยินอยู่นี่ความจริงมันมีอย่างนี้ว่าไงท่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้สื่อสารพิเศษไปทําอะไรของเขาทางนั้นถ้าว่าเขาเอาไว้ไม่ดีก็บอกเขาสิอันนี้ไว้ไม่ดีอย่ามาทำอันนี้นะคุณว่ากั้นสิจะไปล่วงเขาทำใหม่ไปเอาเขามาทําหมแล้วแอบแฝงมาตัวเป็นเจ้าหน้าที่ในเวลาเขาจับได้ขายโง่ตัวสองชั้นสามชั้นนะเป็นทางนั้นนี่เราพูดเร่งเนื่องความไม่มีธรรมมันหาสาระไม่ได้มนุษย์เ่า สมบัต like ิเงินทองก็ของมันก็หาสาระมาได้ถ้ามีทำเป็นเครื่องคุ้มของสิอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเราอย่าว่าอะไรอมีคุณค่าเลยถ้าตัวมนุษย์ไม่มีคุณค่าเสิอย่างเดียวเท่านั้นอะไรจะมีคุณค่าในโลกนี้มันมีคุณค่าไม่ได้นะมนุษย์ไม่สร้างตัวให้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงสร้างมนุษย์ให้มีคุณค่าถ้าใครไม่สนใจในศีลธรรมคนนั่นก็หาคุณค่าไม่ได้เพราสนใจไม่สนใจในคุณค่าอย่างเดียวไม่ไม่สนใจในคุณค่าก็หาคุณค่าไม่ได้เลยจะว่าไงางนี่แหละวันนี้พูดแล้ต่อกไปเลย เรื่องศาสนาสำคัญไหมทำสำคัญไหมเราคิดดูสิความขาดทำที่อย่างเดียวเป็นยังไงที่ว่ามานี่เป็นยังไงมองดูหน้ากันก็ไม่ได้คอยจะกัดกันนี่คือความขาดทำคนเราไม่มองดูหน้ากันจะมองดูไหนจะมองดูก้นกันหรือเหนือก็มองดูบ้านก็ต้องมองดูหน้าที่หน้าเป็นสิ่งที่ทักทายเป็นปัญหาใหญ่ความแจ่มชัดหรืออะไรความหมายทุกสิ่งอย่างอยู่ที่หน้าคนอยู่ที่การแสดงออกของคนก้นไม่แสดงออกไมาได้มีแต่ขี้ไม่แสดงออกไปเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนั้นนะ นี่ให้พิจารณามนุษย์เราไม่มีธรรมมองดูหน้าก็ได้ความจะกัดกันถ้ามีถ้าเป็นธรรมไปแล้วมองดูเป็นร้ายหน้าเขาก็ยังมีหน้าเรามีมีตาเขามีตาเรามีมองกันไม่ได้มีอยู่มนุษย์เออเอามาไว้ทําไมตามีไว้ทําไมหน้ามีไว้ทําไมมองกันไม่ได้น่ะเอาไปเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้เก็บไว้ได้ไหมหน้าคนเก็บไว้ได้ไหมตาคนเก็บไว้ได้ไหมถ้าตาเราเก็บไม่ได้หน้าเราเก็บไม่ได้ก็หน้าเขาจะให้เขาเก็บไว้ที่ไหนไม่ให้มองมาเราตาเขาจะเขาก็เก็บไว่ได้ไม่ได้มองมาหน้างเราตาเราเฮียนาสิ ท่านที่มาสร้างทมขึ้นสร้างทมก็คือสร้างความร่วมเย็นสร้างความไม้หวังใจสร้างความเป็นผู้มีสาระมีคุณค่า ออถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมีคุณค่าทางต่างกันขอให้มนุษย์มีคุณค่าสี่อย่างเดียวเท่านั้นมนุษย์นี่เป็นหลักแห่งคุณค่าสําคัญและเป็นหลักแห่งความพินาศทิหายไร้สาระทั้งหลายก็คือมนุษย์นี้เท่านั้นจึงได้สร้างมนุษย์ทำคําสอนพระเจ้าทีส่สอนไว้นี่สอนมนุษย์นะไม่ได้สอนสมบัติเงินทองกับของสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายเลยสอนมนุษย์ให้ปฏิบัติต่อสิ่ ง, งหลายให้ถูกต้องนิยามแล้วจะเป็นถูกทั้งตัวและสิ่งเกี่ยวข้องตลอดถึงคนเล็เพื่อนฝูงอะไรกกก็ตตาาาาาาามมมมมททีีีี่่่่่เเเเยยยววข้้อองงัับรคนนนลธด มันก็สบายไปหมดทุ่มเย็นไปหมดมองหน้ากันก็มองด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมองด้วยความสนิทสนมมองด้วยความเมตตาไม่ได้มองด้วยความเป็นยักษ์เป็นผีกัดกันยิ่งกว่าหมาเนี่ยเพราะความไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าความมีธรรมแล้วมองเท่าไหรก็มองเธอะอือก็หลวงตาบัวนี่มองคนมองเท่าไหรมองไม่รู้กี่หน้ากี่ตามแล้วตั้งเกิดมาเนี่ก็ไม่เห็นใครมาว่าตาบัวเป็นบ้าหรือมามองในตรงตาเลยเขาไม่เห็นมาว่าหรอกเพราะเราไม่มองด้วยความมิจฉาด้วยความมิจฉาปฏิบัติจากเขามองด้วยเหตุด้วยผลด้วยด้ธรรม คนเรามองด้วยเห็นได้ผลด้วยธร ท, ยทําละการจะเป็นอะไรกันไม่มีอะไรผิดกันเลยถ้ามองด้วยยากเป็นยากทันทีมองด้วยผีเป็นผีทันทีฟังด้วยความเป็นผีเป็นผีทันทีอะไรก็ตามถ้าหัวใจเป็นผีที่อย่างเดียวทุกสิ่งอย่างแสดงมาเป็นผีไปหมดมันมันขึ้นอยู่กับใจเอาละนะพอเขาทุกคนเราฟังสิจบแล้วแค่นั้นล่ะเท่คุ้นๆเข้มๆคุค น, ค น, คนเอาละพอเข้มากก็เหนื่อยหมดฟุ้มลแล้วแหละหือืออืม <c oughs> อันนี้ให้พรนะนิยะถาวาระคาปูราปริปุเรติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกะปติ อิคิตังปะิตังตุมหังคิปะเมวะสุิีจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยัามัญโชติระโสยถ า, าสัพพีกิโยวิวาชาัชชนตุสัพพโรโคยินั ส, สตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาธนาสีดิจมิจังมุธาปะจายโนศตาโรธรรมาวาทานติ อายุวันโนสุขค้างหาลาง